จเจรอนพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายทางทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส0สบกรกฎาคมพุทธศักราชสอ5พเป็นวันพระวันธรรมสวัสดิวันฝังธรรม วันสร้างบุญบารมีที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นชีวิตของพวกเราที่มีความแตกต่างกันก็เนื่องมาจากบุญบารมีที่เราได้บำเพ็ญมาในอดีตนั้นมีไม่เท่ากันจึงทำให้เรามีความแตกต่างกัน ทางด้านรูปร่างหน้าตาความสวยงามหรือไม่สวยงามทางด้านฐานะการเงินการทองจะรวยหรือไม่รวยทางด้านสุขภาพจะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงหรือเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างอายุจะมีอายุยืนยาวนานหรืออายุไม่ยืนยาวนาน ทางด้านสติปัญญาความรู้ความฉลาดความสามารถต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราได้สะสมกันมามากน้อยไม่เท่ากันถ้าเราสะสมมามากเราก็จะเด่นมากจะเจริญมากถ้าเราสะสมมาน้อยเราก็จะไม่ค่อยเด่น จะไม่ค่อยเจริญผู้ที่ได้สะสมบุญบา ร, รมีมาอย่างโชคชนุนก็มีพระพุทธเจ้าของพวกเราเป็นตัวอย่างทรงบำเพ็ญบุญบา ร, รมีมาทุกภพกทุกชาติที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่ได้จะไม่ได้บำเพ็ญทางบา ร, รมีก็จะบำเพ็ญสินบา ร, รมี ไม่ได้บำเพ็ญศีลบารมีก็จะบำเพ็ญเนคขมภะบารมีหรือบารมีอื่นๆเช่นปัญญาบารมีเมตตาบารมีโอเบขาบารมีบารมีเหล่านี้แหละที่จะทำให้เรา <c oughs> ดีให้เราเด่นให้เราเลิศให้เราประเสริฐอย่างที่พระพุทธเจ้า ได้ดีได้เด่นได้เลิศแม้ประเสริฐมาไม่ได้เกิดจากความบังเอิญไม่ได้เกิดจากการเสกเป่าของผู้อื่นไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใดในโลกนี้สามารถที่จะเสกจะเป่าให้เราดีให้เราเลิศให้เราประเสริฐได้มีแต่การบําเพ็ญบุญบรารมีนี้เท่านั้น ที่จะทำให้เราเด่นให้เราดีให้เราเจริญดังนั้นขอให้พวกเราจงให้ความสำคัญต่อการบาเพ็ญบุญบรารมีต่างๆอย่าไปให้ความสำคัญต่อการขอสิ่งต่างๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเวลากราบพระจุดธูปเทียนสามดอก แล้วก็ขอให้เป็นนั่นเป็นนี่ขอไปจนวันตายก็ไม่ได้เป็นถ้าได้เป็นก็เป็นเพราะเป็นผลของบุญบรารมีที่ได้ทำมาในอดีตและได้ส่งผลขึ้นในขณะที่ได้ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆถ้าขอได้ป่านนี้พวกเราทุกคนก็ไปถึงพระนิพพานกันทุกคนแล้ว หรือเป็นมหาเศรษฐีกันทุกคนแล้วหรือเป็นมหาจั ก, กรพรรดิกันทุกคนแล้วแต่การขอนี้ขอไม่ได้มีแต่การทำาท่านั้นที่จะทำให้เราได้สิ่งต่างๆที่เราปรารถากันดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ความเลิศความเด่นความเจริญไม่ว่าในลาบยศเสริญสุด หรือในม้าผลที่ผ่านเราก็ต้องมาบำเพ็ญบุญบรารมีที่พระพุทธเจ้าทรงได้บำเพ็ญมาและได้นำามามาเคยแผ่บอกพวกเราซึ่งมีอยู่สิบประการด้วยกันคือหนึ่งทานบรารมีสองศีลบรารมีสมเนคข ม, มะบรารมีส อธิฐานบรารมีห้าสัจจะบรารมีหกวิริยะบรารมีเจ็ดขันติบรารมีแปดเมตตาบรารมี 9. ก้าปัญญาบรารมีและสิบอุเบกขาบรารมีนี่คือบรารมีสิบประการที่จะทำให้ผู้ที่ได้บำเพ็ญ น, นั้น มีความเด่นความเลิศมีความเจริญมีความประเสริฐในทุกด้านไม่ว่าจะด้านอายุวันนะสุขภะพละก็ดีในด้านลาบยศสรรเสริญสุขก็ดีหรือในด้านมรรคผลนิพพานก็ดีเกิดจากการบรรพ็์บรารณีทั้งสิบประการนี้อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่น พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุและทรงเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้เราดีให้เราเด่นได้นอกจากการบำเพ็ญบารมีทั้งสิประการนี้จึงขอให้พวกเรามีความเชื่อมั่นว่าการบำเพ็ญทานบารมีหรือบารมีต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นการสูญเปล่า พราะจะติดไปกับใจของเราแต่ถ้าเราสะสมลาบยศสารเสริญสุขต่างๆสิ่งเหล่านี้จะไม่ติดไปกับเราเพราะหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วเราไม่สามารถเอาอะไรติดตัวเราไปได้นอกจากบุญบารมีที่เราได้ํำเพ็นมานี้แหละแล้วจะทำให้เราไปเกิด ในพบที่ดีต่อไปผู้ที่ได้บำเพ็ญบุญบรารมีนี้จะมีแต่ขึ้นสูงไม่มีลงต่ำจะขึ้นไปสวรรค์ชั้นเทพต่างๆสวรรค์ชั้นพรมต่างๆแล้วก็มักผลขั้นต่างๆเช่นโสดาสกิดาทามีอนาคามี อ, าามอรหัน์นี่คือ ที่ไปของผู้ที่บำเพ็ญบุญบารมีทั้งสิบประการนี้ฉะนั้นพวกเราอย่าลังเลสงสยัยอย่ารอให้พระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาพาเราไปเพราะพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้ก็ต้องมาทำหน้าที่เหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้เท่านั้นคือมาสั่งสอนมาชักชวน ให้พวกเราบำเพ็ญบุญบรารมีกันแต่ท่านไม่สามารถเสกเป่าให้เราไปได้เราต้องไปเองเราต้องยึดหลักอัตตาหิตอัตนโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางด้านเป็นผู้บอกทางแต่ผู้ที่จะต้องเดินไปนี้ คือตัวเราเองเหมือนญาติโยมที่เดินทางมาวัดในวันนี้ญาติโยมต้องเดินทางมากันเองถ้าไม่เดินทางมาก็จะมาไม่ถึงวัดนี้ได้นอกจากมีผู้ที่เขาอนุเคราะห์เช่นเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาอุ้มเรามาอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าไม่มีคนที่เขาอุ้มเราม า, าก็จะมาไม่ได้ เรื่องการไปสวรรค์ไปสู่พระนิพพานนี้ไม่มีใครอุ้มพาเราไปได้เราต้องเดินไปเองด้วยการบำเพ็ญบารมีต่างๆดังนั้นขอให้เรามาตั้งใจบำเพ็ญบารมีกันเริ่มต้นที่อธิษฐานบารมีอธิษฐานนี้ภาษาพระกับภาษา โยมมีความหมายไม่เหมือนกันภาษาโยมนี้แปลว่าขอขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองรักษาตนอย่างนี้เป็นต้นแต่ภาษาของพระคำว่าอธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งใจคือเราต้องตั้งใจตั้งเป้าเอาไว้ก่อนว่าเราจะไปทางไหน เช่นวันนี้เราจะมาวัดเราก็ได้ตั้งใจเอาไว้ก่อนลงหน้าแล้วว่าเราจะมาวัดในวันนี้ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเราตอนนี้ยังอาจจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาก็ได้อาจจะนอนหลับต่อเพราะไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีเป้าหมายก็เลยไม่รู้จะทําอะไรดีก็เลยนอนไปก่อน จางนั้นสิ่งแรกที่เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นมาก็คืออธิษฐานบารมีคือเราต้องรู้จักตั้งใจตั้งใจนี้ก็ให้ตั้งใจไปในทิศทางที่ถูกก็คือตั้งใจสร้างบุญบารมีทั้งสิประการนี้เองนี่คือเป้าหมายของเราคือการบําเพ็ญบารมีทั้งสิประการ เริ่มต้นด้วยที่อธิษฐานบารมีต่อไปนี้จะทำอะไรเราต้องตั้งใจที่เหตุอย่าไปตั้งใจที่ผลผลมันเกิดจากเหตุเช่นอย่าไปอธิษฐานขอให้ร่มให้รวยเสียเวลาเปล่าๆถ้าอยากจะรวยก็ขอให้ตั้งอธิษฐานอยู่ที่การกระทำอยู่ที่เหตุก็คือจะขยันทำงานทำมาหากิน จะขยยันเก็บเงินเก็บทองจะไม่ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายจะไม่ขี้เกียจถ้ารับรองถ้าทำอย่างนี้แล้วไม่นานก็จะรวยขึ้นมาได้แต่ถ้าขี้เกียจใช้เงินเก่งหาเงินไม่เก่งต่อให้ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วิเศษขนาดไหนก็ตามก็จะไม่มีทางรวยขึ้นมาได้ เพราะความรวยไม่ได้เกิดจากการขอความรวยนด้เกิดจากความตั้งใจที่จะทำเหตุที่จะทาให้เรารวยนี้เกิดขึ้นมาก็คือต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินหาเงินหาทองแล้วก็ต้องขยันเก็บเงินเก็บทองไม่ใช้อย่างสุรุ่ยสุรายใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น รัาลองได้ว่าไม่นานก็จะรวยขึ้นมาได้ดังนั้นขอให้เราตั้งจิตอธิษฐานที่การกระทําเพราะการกระทํานี้เป็นเหตุที่จะทําให้เราเจริญก้าวหน้าถ้าเราอยากเจริญก้าวหน้าอย่างพระพุทธเจ้าเราก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานไว้อยู่ที่การกระทํา ต่อไปนี้จะสร้างทานบา ร, รมีให้มากขึ้นจะให้มากขึ้นมีมากมีน้อยจะไม่หวงเก็บเอาไว้จะเอาไปให้ผู้อื่นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าในสมัยเป็นพระเวชสันดรได้สร้างทานบา ร, รมีเอาไว้ไม่ว่าจะมีอะไรพระองค์จะให้แก่ผู้อื่นเสมอถ้ามีผู้ที่ปรารถนาต้องการ สิ่งที่พระองค์มีอยู่ดังนั้นพวกเราก็ขอให้เราเริ่มที่การบําเพ็ญที่ทานบา ร, รมีเพราะเป็นการบําเพ็ญที่ง่ายที่สุดการให้ทานนี้ง่ายกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลนี้ก็ง่ายกว่าการบําเพ็ญเนกขมะบา ร, รมีดังนั้นเื้องต้นสิ่งที่เราจะต้องตั้งอธิษฐานไว้ก็คือ จะบำเพ็ญทานบารมีอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและอย่างเข้มข้นตามลําดับนะเมื่อเราได้ตั้งอธิษฐานแล้วบารมีที่สองที่เราจะต้องมีหรือต้องสร้างขึ้นมาก็คือวิริยะบารมีคือความขยันต้องขออภยัยต้องกลับไปที่สัจจะบารมีก่อน ต้องมีความจริงใจเพราะเวลาเราตั้งอธิษฐานนี้เป็นเหมือนกับเราให้คำมั่นสัญญากับตัวเราเองว่าเราจะทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้แล้วสิ่งที่เราต้องมีตามมาก็คือสัจจะบารมีเราต้องเป็นคนซื่อตรงพูดอะไรทำคิดอะไรตั้งใจจะทำอะไร ก็จะต้องทำอย่างนั้นไม่ใช่ตั้งใจจะทำแล้วไม่ทำอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะ ก, การจะทำอะไรได้ตามความตั้งใจก็ต้องมีสัจจะคอยกำกับเอาไว้เช่นวันนี้ตั้งใจจะมาวัดแต่พอถึงเวลายังมีง่วงนอนอยู่ยังไม่อยากจะตื่นก็จะเปลี่ยนใจบอกวันนี้ไม่ไปแล้วไว้ค่อยไปวันหลัง อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะบารมีถ้าเราอยากจะทำในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำสิ่งที่เราต้องมีก็คือสัจจะความจริงใจว่าเช่นเราตั้งใจจะมาวันพอตื่นขึ้นมาไม่ว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรจะไม่อยากจะมาก็ดีหรือมีอุปสรรคต่างๆเช่นฝนตกแดดออก พายุมาก็จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคยกเว้นว่าเป็นเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาได้จริงๆเท่านั้นนี่คือเรื่องของสัจจะบารมีขอให้เรามีความจริงใจคิดจะทำอะไรแล้วเราจะต้องทำให้ได้อย่าบิดพรีวเหมือนคนบางคนเวลาอยากจะได้อะไรก็ไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พอได้มาแล้วก็เปลี่ยนใจไม่อยากที่จะไปแก้บนที่แสดงว่าไม่มีสัจจะถ้าไม่มีสัจจะแล้วต่อไปก็จะทำอะไรไม่สําเร็จเพราะจะล้มเหลวเพราะอารมณ์นี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวลาอยากได้อะไรก็ตั้งใจจะทำแต่พอเกิดเปลี่ยนอารมณ์ขึ้นมาไม่อยากได้ ก็จะไม่อยากจะทำดังนั้นก่อนที่เราจะตั้งอธิษฐานเราต้องคิดให้แน่วแน่ก่อนว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่ได้เกิดจากอารมณ์ที่ผันผวนไปผันมาจะต้องเกิดจากเหตุผลเช่นเห็นเหตุว่าการบําเพ็ญบุญบา ร, รมีต่างๆนี้เป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตของเรา จะทำให้เราเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอย่างนี้ถ้าเรามีเหตุผลอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุผลนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นอมะตะการทำบุญบรารมีสร้างบุญบรารมีต่างๆนี้ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดก็จะเป็นสิ่งที่ดีเสมอจะนำผลที่ดีมาให้เสมอ ไม่เหมือนกับความอยากอารมณ์ต่างๆบางทีอยากได้สิ่งนี้ในวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะไม่อยากได้แล้วก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นของเหตุผลนั่นเองตั้งอยู่บนพื้นของความอยากของอารมณ์ดังนั้นถ้าเราอยากจะทําอะไรให้สําเร็จลุ่เรื่องไปได้นอกจากมีอธิษฐานความตั้งใจแล้ว เราก็ต้องมีสัจจะความจริงใจต่อจากนั้นเราก็จะต้องมีวิริยะบารมีคือเราต้องสร้างความขยันหมั่นเพียรให้เกิดขึ้นมาขยันทําในสิ่งที่เราตั้งใจจะทําให้เป็นเหมือนเต่าอย่าเป็นเหมือนกระต่ายกระต่ายนี่วิ่งแข่งกระเต่าถึงแม้จะวิ่งเร็วขนาดไหนก็สู้เต่าไม่ได้เพราะเต่านี้ ทำอย่างต่อเนื่องไม่มีท้อถอยไม่มีหยุดหย่อนแต่กระต่ายนี้ทำตามอารมณ์เวลาอยากจะทำก็ทำเวลาไม่อยากจะทำก็ไม่ทำแล้วในที่สุดความอยากไม่ทำมันก็จะทำให้ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางไม่เหมือนกับเตา่าที่มีความขยันอย่างสม่าเสมอเดินไปเรื่อยๆถึงแม้จะช้าแต่ไม่หยุด ไม่นานก็ถึงจุดหมายปลายทางแต่ผู้ที่ทําแล้วหยุดหยุดแล้วไม่ทํานี้จะไม่มีวันไปถึงจุดหมายปลายทางได้ส่วนใหญ่จะตั้งต้นกันดีเช่นตอนปีใหม่นี้ตั้งอธิษฐานกันดีว่าจะไม่ทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนี้พอตั้งไปได้ทั้งสามวันก็ล้มกันไปหมดเพราะว่าตอนที่ตั้งนั้นมีอารมณ์ดีอยากจะตั้งพอ ผ่านไปอารมณ์ที่ดีนั้นก็หายไปอารมณ์ไม่ดีก็กลับมาก็เลยต้องกลับไปทําเหมือนเดิมเช่นอยากจะเลิกกินเหล้าพอถึงอารมณ์เวลาอารมณ์ไม่ดีก็ต้องไปหาเหล้ามากินเพื่อดับอารมณ์อย่างนี้หรือทําอะไรในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเพราะว่าเวลาตั้งใจนั้นไม่ได้ตั้งใจด้วยสัจจะไม่มีสัจจะแล้วก็ไม่มีความภาคเพียร วิริยะบาลมีนอกจากมีวิริยะบาลมีแล้วก็ยังอาจจะไม่สำเร็จก็ได้ถ้าขาดบาลมีอีกอันหนึง่งก็คือขันติบาลมีความอดทนอันนี้สําคัญเพราะว่าการกระทาอะไรต่างๆที่ดีนี้เป็นสิ่งที่ยากที่ลำบากจะต้องมีความอดทนถึงจะสามารถฟันฝ่า อุปสรรคต่างๆไปได้ถ้ามีความอ่อนแอพอไปเจอความยากลำบากหน่อยก็ไม่เอาแล้วเลิกแล้วล้มไประเนละนาดไปแต่ถ้ามีมีขันติแล้วไม่ว่าจะยากขนาดไหนก็ตามจะทำต่อไปตราบใดที่มีกำลังที่จะทำตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ จะไม่อยู่จนกว่าจะตายไปเท่านั้นอย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงตั้งสัรจจะอธิษฐานวิริยะและขันติบรารมีในขณะที่นั่งอยู่ใต้ต้นโพที่ทรงตั้งสัรจจะอธิษฐานไม่ว่าจะนั่งอยู่ใต้ต้นโพนี้จนกว่าจะตัดสรูเป็นพระอรหันต์ตัมมาสมพุทธเจ้าถ้าตราบใด ยังไม่ได้ตัดสรุจะไม่ลุกขึ้นจากที่นี้ไปเป็นอันขาดขอยอมตายไปกับการนั่งที่ตรงนั้นนี่แหละคือเรื่องของอธิษฐานบามีสัจจะบามีวิ ร, ยริยะบามีและขันติบามีที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้ตัดสรุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมา ถ้าพระองค์ไม่มีบารมีทั้งสี่ประการนี้พระองค์จะไม่สามารถบำเพ็ญบารมีส่วนอื่นๆได้เช่นทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบ า, มมาบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีและอุเบกขาบารมีได้แต่ถ้ามีอธิษฐานมีสัจจะมี วิริยะมีขันติบารมีแล้วการบำเพ็ญบารมีข้ออื่นๆก็จะเป็นไปได้จเจริญไปก็จะบรรลุเป็นผลตามลําดับขั้นต้นก็ให้จเจริญทานบารมีก่อนอย่างที่พวกเรามาทํากันในวันนี้เรากําลังบําเพ็ญทานบารมีคือเราของที่เป็นของเรานี้มาให้แก่ผู้อื่นเรียกว่าทาน การให้เมื่อเราให้ไปแล้วต่อไปเราก็จะอยากจะรักษาศีลอยากจะเจริญศีลบารมีเพราะผู้ที่ให้นี้จะมีจิตใจที่เมตตาการุณาจะไม่คิดอยากที่จะเบียดเบียนผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นก็จะทำให้อยากจะรักษาศีลอยากจะละเว้นจากการเบียดเบียนทาร้ายผู้อื่น พอเราทำทานบารมีแล้วเราก็จะเจริญศีลบารมีได้แล้วเมื่อเราเจริญศีลบารมีได้แล้วเราก็อยากจะเจริญเนคขมภ์บารมีเพราะว่าหลังจากที่เราไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วเราเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบของใจเราก็อยากจะให้ใจสงบมากขึ้นไป เราก็อยากจะเราก็ต้องเจริญเนคขมมะบาลีเพราะเราเห็นว่าเวลาที่ใจเรายังไปยุ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆทำให้ใจของเรานั้นไม่สงบทําให้สงบยากดังนั้นเราต้องออกจากรูปเสียงกลิ่นรสการออกจากรูปเสียงกลิ่นรสคือการไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เรียกว่าเนคขมมะ แปลว่าการออกจากการมคุณทั้งห้าการบำเพ็ญเนคขมะบารมีก็คือการออกบวชนั่นเองเช่นบวชเป็นภิกษุณีบวชเป็นภิกษุบวชเป็นสา ม, มเณรบวชเป็นแม่ชีหรือบวชเป็นผู้ที่ถือศีลแปดเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญเนคขมะบารมีเพราะจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่น จะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะไม่หาความสุขจากการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอภารรท์ที่สวยงามหรือการใช้เครื่องหอมต่างๆจะไม่หาความสุขจากเครื่องบรรเทิงต่างๆเช่นดูหนังฟังเพลงร้องลำทำเพลงเป็นต้น แล้วก็จะไม่หาความสุขจากการหลับนอนบนฟูกนานาจะหาความสุขในด้วยการทำจิตใจให้สงบด้วยการเจริญเนคข ม, มะบรมีเนคข ม, มะบรมีก็คือการทำจะไม่ใช่เนคข ม, มะอุเบขาบรมีอุเบขาบ ร, า ม, บาบรามีก็คือการทำใจให้เป็นกลาง ให้สงบให้ปล่อยวางจะเกิดจากการจเจริญสมาธิหรือสมถภาวนาควบคุมจิตใจด้วยสติไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆให้คิดอยู่กับเรื่องที่ได้กําหนดเอาไว้เช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือให้ดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีสติ ดึงใจเอาไว้ได้ใจก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วใจก็จะค่อยๆสงบได้ะจะสงบเต็มที่ได้ต่อไปพอสงบเต็มที่แล้วใจก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาเป็นกลางตอนนั้นจะไม่มีอารมณ์รักชังโลภโกรธหลงจะมีความรู้สึกเฉยเฉย มีความสุขมีความอิ่มมีความพอไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรนี่คือการเจริญเนคข ม, มะบารมีแล้วหลังจากนั้นเวลาได้เนคข ม, มะบารมีแล้วพอออกจากการนั่งสมาธิเราก็ออกมาเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็มาเจริญปัญญาบารมีต่อไปปัญญาบารมีก็คือความรู้ ที่จะทำให้เราดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้ก็ต้องดับด้วยการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะความทุกข์ของเราเกิดจากความหลงไปรักไปชอบไปอยากได้สิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เราไม่สามารถเก็บเอาไว้เป็นของเราได้สิ่งต่างๆที่เราไปรักไปชอบ แล้วเวลาที่เกิดการเปลีป่ยนแปลงขึ้นมาก็จะทําให้เราทุกข์ใจเช่นได้แฟนมาแล้วแฟนจากเราไปเราก็จะเสียใจทุกข์ใจหรือได้อะไรมาแล้วก็สูญหายไปได้รถมาแล้วรถก็หายไปได้เงินมาแล้วเงินก็หายไปเวลาหายไปนี้เราก็จะต้องเสียใจแต่ถ้าเราสอนใจด้วยปัญญาว่า ไม่ว่าเราจะได้อะไรมาสักวันหนึ่งเราจะต้องเสียเขาไปหมดเพราะเราไม่สามารถเก็บอะไรไว้กับตัวเราได้เลยเวลาเรามาเราก็มาตัวเปล่าเปล่าแล้วเวลาเราไปเราก็ไปด้วยตัวเปล่าเปล่าแม้แต่ร่างกายของเรานี้เราก็เอาไปไม่ได้ทุกอย่างนี้ไม่ใช่เป็นของเราทุกอย่างนี้มีเกิดมีดับเป็นธรรมดา ถ้าเราไม่ไปอยากกับสิ่งต่างๆเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราอยากเราก็จะทุกข์นี่คือปัญญาที่เราต้องคอยสอนใจเราอยู่เรื่อยๆเพื่อให้ตัดความอยากต่างๆให้หมดไปอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรอย่าไปอยากเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรแม้แต่ความแก่ความเจ็บความตาย ก็อยากไม่ได้อย่าไปอยากไม่ให้ใหแก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายเพราะเมื่ออยากแล้วจะเกิดความกลัวเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าใจเป็นอุเบกขาเฉยๆปล่อยวางรู้ว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากแก่ก็ปล่อยให้แก่ไปเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยให้เจ็บไปตายก็ปล่อยให้ตายไปถ้าอย่างนี้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์ ต่อไปจะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายมีมากมีน้อยก็ไม่อยากอยู่ถ้าอยากจะถ้าเขาจะอยู่กับเราก็ปล่อยเขาอยู่ไปถ้าเขาไม่อยู่กับเราก็ปล่อยเขาไปเราอยู่ได้โดยไม่มีอะไรถ้าเรามีอุเบกขาบารมีมีปัญญาบารมีเราจะมีความสุขมากและเราก็จะมีเมตตาบารมี เพราะเราจะอยากจะให้คนอื่นมีความสุขเหมือนเราเมื่อเราเห็นความสุขที่เรามีอยู่ว่าเกิดจากการไม่อยากต่อไปเราก็เอาไปเผยแผ่บอกผู้อื่นเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้นำมาเผยแผ่บอกพวกบอกพวกเราด้วยพระเมตตาบารมีนี้เองด้วยความปรารถนาดี สอนพวกเราให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขคือสอนให้พวกเราบำเพ็ญบารมีทั้งสิบประการนี้เองนี่คืองานของพวกเราที่จะทำให้พวกเรานี้เจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงทำให้พวกเรามีความสุขอย่างแท้จริงทำให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงอยู่ที่การบำเพ็ญ บารมีทั้งสิบประการนี้เองจึงขอฝากเรื่องของการบำเพ็ญบารมีสิบประการนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิษ์พิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัย